ปวงของคนเรายม่ว่าตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดภาษาใดวัยใดเนี่ยถ้าจะสรุปแล้วเนี่ยก็สรุปด้วยคำของพระพุทธเจ้าที่เราเพิ่งสาธยายไปแล้วก็เช้าเนี่ยเราก็สาธยายเนี่ยข้อความนี้แหละ การพัดพลากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์ความทุกขคนเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็วนเวียนอยู่กับการพัดพลากของรักคนรักหรือการประสบกับสิ่งที่ไม่รักทังคนเราเนี่ยนะ เมื่อสูญเสียของรักคนรักเนี่ยก็ยอมเกิดความเศร้าโศกคล่ําครวนหรือเวลาเจอสิ่งที่ไม่พึงพอใจเช่นความเจ็บป่วยก็มีความเศรา้ามีความเครียดมีความวิตกกังวลหรือบางทีมีความคับแค้นเรียกรวมๆว่าทุกข์แล้วก็เป็นธรรมดานาที่ คนเราเนี่ยมักจะมองว่าที่ทุกเนี่ยนะที่เศร้าโศกเนี่ยก็เพราะสูญเสียคนรักสูญเสียคนรักหรือสูญเสียของรักแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าพิจารณาดูให้ดีเนี่ยไอความเศร้าโศกหรือความตรงคนเราเนี่ยมนไม่ได้เกิดจาก หรือไม่ได้เกิดเพราะความสูญเสียคนรักหรือของรักนะแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าความไปยึดมั่นถือมั่ น, นกับของสิ่งนั้นหรือของหรือคนคนนั้นมากกว่าเมื่อในชาติการเนี่ยเมื่อนางกีสาโคตมีเนี่ยเสียลูกน้อยเนี่ย นางก็เศร้าโศกมากแล้วก็ยอมรับความจริงไม่ได้ว่าลูกของตัวเองตายแล้วก็กอดอุ้มร่างของลูกที่เสียชีวิตไปเนี่ยเพื่อให้ใครต่อใครช่วยฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาจนกระทั่งได้พบ ก, กับพระพุทธเจ้าแล้วต่อหลังเนี่ยพูุทธเจ้าก็แสดงธรรมโปรดนางกีสาวโคตมีหลังจากที่นางเนี่ยเริ่มที่จะ คลายความเศร้าโศกแล้วก็อยอมรับความตายของลูกได้เนี่ยมีประโยคหนึ่งที่พระเจ้าตรัสนะว่าเนี่ยมัจุราชเนี่ยหรือมรตยูเนี่ยย่อมพัดพาผู้ที่หลงไหลในลูกและทรพเจ็เช่นเดียวกับน้ำป่าย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลไปชั้นนั้นหมายความว่า ความตายเนี่ยนะย่อมทำให้ผู้ที่ลหลงไหลในรูปในทรัพย์เนี่ยต้องพบกับความทุกข์แสนสาหัสแต่ถ้าเราพิจารณดาดูประโยคนี้ดีๆเนี่ยก็จะพบว่าหากว่าไม่ลหลงไหลหรือไม่ยึดติดถือมั่นในรูปในทรัพย์เนี่ย ความตายก็ไม่สามารถจะพาให้ไหลไปสู่ความทุกข์ได้ถ้าไม่หลงไหลหรือยึดติดนะในรูปนะในทรัพเนี่ยแม้มีความตายเกิดขึ้นนะมันก็ไม่ทำให้ผู้นั้นเนี่ยไหลไปสู่ความทุกข์หรือประสบความทุกข์ได้ ผู้ใหญ่เนี่ยคือว่าที่ทุกเนี่ยนะก็เพราะว่ามีความลหลงไหลแลมีความยึดติดในรูปในทรัพย์ไม่ใช่เพราะความตายตรงเนี้ยที่นางกีสาโกตมีเนี่ยเข้าใจพอเข้าใจเนี่ยปัญญาเกิดเลยนะไม่เพียงแต่หายเศร้าโศกแต่ว่ายังถึงกับบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยเพราะว่า เห็นชัดเลยนะว่าเนี่ยที่ทุกข์เพราะความยึดติดในลูกในทรัพย์แล้วเมื่อเจตเนี่ยคลายความยึดนะคลายความถือมั่นเนี่ยในลูกเนี่ยก็หายทุกข์เลยแล้วก็เจตก็เรียกว่าสว่างโล่งเล ย, ยเช่นเดียวกันนะเมื่อสัน ต, ติอัมมาดเนี่ย ซึ่งกำลังสำเริงสำราญเพราะว่ามีนะหญิงฟอ้อนรำนะมาสร้างความบันเทิงให้กับตนเองแต่ต่อมาเนี่ยหญิงฟอ้อนรำคนนั้นเนี่ยซึ่งเป็นคนโปรยของสันติอัมมาเนี่ยขาดใจตายนะเพราะว่าเต้นรำฟอร้อนรำเนี่ยมาเจ็ดวันเจ็ดคืนลว ไม่ได้พักเลยขาดใจตายสันติยา ม, มานเนี่ยซึ่งกำลังเมามาอยู่เนี่ยเจอเหตุการณ์นี้ถึงก็สั่งเมาเลยแต่ว่าสิ่งที่ตามมาคือความเศร้าโศกพอเศร้าโศกนี่ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งบังเอิญได้พบตอนเช้าร้อยวันพันปีนี่ไม่เคยนึกถึงพระพุทธเจ้าเลยนะ แต่พอเศร้าโศกมากๆนี่ก็พอสูญเสียคนรักก็เรียกว่าสมสารก็ได้ไปหาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงธรรมนะแล้วก็มีตอนนี้ก็บอกว่าเนี่ยกิเลสเครื่องเศร้าหมองเนี่ยที่เกิดขึ้นกับเธอในการก่อนนะก็ขอให้กำจัดให้หมดสิ้นไป และจะให้กิเลสนั้นได้เกิดขึ้นเองในการภายหน้าเสร็จ แ, แล้วท่านก็พระองค์ก็ตบท้ายด้วยประโยคสุดท้ายนะว่าถ้าเธอเนี่ยไม่ยึดติดในขันห้าก็จะเป็นผู้สงบสงบ ก, ก็คือว่าหายทุกข์หายเศร้าโศกบอกว่าสอนสอมมาเนี่ยเข้าใจชัดเลยนะ ก็จชัดว่าแะ้วก็จะชัดว่าที่ตัวเองทุกเนี่ยนะไม่ใช่เพราะสูญเสียหญิงอันเป็นที่รักแต่พอไปยึดนะมั่นถือมั่นในผู้หญิงคนนั้นหรือเรียกลมรวมว่ายึดมั่นในขันห้าซึ่งก็คลุมไปถึงสิ่ง อ, งอื่นด้วยปัญญาเกิดจิต ก, ก็หลุดพ้นเลยนะจากอาสวะกิเลสกลายเป็นผ้ารหันเลยทั้งที่ยังไม่ได้บวชนะ ทั้ง2ตัวอย่างนี่นะพระจาเนี่ยส่งชี้เห็นว่าเนี่ยที่เธอทุกเนี่ยนะไม่ใช่เพราะความสูญเสียคนรักแต่เป็นเพราะไปยึดมั่นในคนเหล่านั้นหรือในคนคนนั้นนะซึ่งเมื่อคลายความยึดมั่นเมื่อไหร่นะก็จ ะ, ะไม่ทุกข์ที่ิงในชีวิตประจาวันของเราหรือในประสบการณ์ชีวิตของเรานี่ก็คงจะ สังเกตได้นะเวลาคนที่เราจักคนที่เรารู้จักเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยเมื่อเราได้ข่าวเนี่ยถ้าเราไม่ได้สนิทสนมหรือว่าไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับคนคนนั้นมากเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเสียใจมากนะนนถ้าเป็นคนไกลเป็นคนที่เราไม่ได้สนิทสนมคุ้นเคยหรือถ้าผู้ภาษาธรรมะคือไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นมากนี เราก็ไม่ค่อยได้เสียใจเท่าไหร่แต่จะเสียใจเนี่ยก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเป็นคนที่เรารักเป็นคนที่เราผูกพันหรืออาจจะมีความสนิทสนเหาซึ่งใก ล, ล้ล้มลว่ามีความยึดมั่นถือมั่นอันดีกรียงความเศร้าเนี่ยนะมันก็ขึ้นอยู่ว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นมากแค่ไหนตรงนี้แต่หาที่เป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ ไม่ใช่ความสูญเสียนะความสูญเสียเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสาเหตุแห่งทุกข์มาเท่ากับความยึดมั่นถือมั่นในคนนั้นหรือในของสิ่นนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจชัดนะเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเนี่ยที่ทุกข์เนี่ยเพราะความสูญเสียเนี่ย เราจะไม่มีวันออกจากทุกได้เลยเพราะว่าชีวิตนี้ต้องเจอความสูญเสียอยู่ร่ำไปไม่่อจะเป็นคนรักของรักแต่ถ้าว่าเราตระหนักชัดนะหรือเชื่อว่าเนี่ยไอ้ความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นถือมั่นมันก็มีโอกาสที่จะออกจากทุกได้นะหรือว่าทุกเบาบางด้วยการ ลดความยึดมั่นถือมั่นหรือวาอ่าสลัดความยึดมั่นถือมั่นทิ้งไปให้นทาง่างความพ้นทุกข์มันก็เปิดกว้างแก่เราได้แต่ถ้าเราคิดว่าเนี่ยความสูญเสียทำให้เราทุกข์ความสูญเสียคือเหตุแห่งทุกข์ชีวิตนี้คงจะไม่มีโอกาสที่จะพ้นทุกข์ได้เลยเพราะต้องสูญเสียอยู่เรื่อยไปไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติหรือคนรัก จนกว่าจะหมดลมเช่เดกันนะความเจ็บป่วยเนี่ยความเจ็บป่วยหลายคนทุกเมื่อมีความเจ็บป่วยแล้วก็ไปคิดว่าความเจ็บป่วยนี่คือเหตุแห่งทุกข์ที่จริงไม่ใช่นะเหตุแห่งทุกข์เนี่ยก็คือโดยว่าความทุกข์ใจเนี่ยก็คือความยึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นกับอะไรยึดมั่นถือมั่นในร่างกาย ยึดมั่นถือมั่นว่านี่เป아아 animals, ็นร่างกายของเรายึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้ต้องเที่ยงยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายนี้ต้องเป็นสุขหรือจะอํานวยความสุขให้กับเราแต่ว่าร่างกายมันไม่ใช่ของเราและมันก็ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่มันก็ไม่ใช่เป็นตัวสุขด้วยแท่จริงเป็นตัวทุกแต่เป็นเพราะความไม่รู้ก็ไปยึดพอยึดเข้าเนี่ยก็เลยทุกเลยเมื่อความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแต่ถาาว่า ไม่ยึดมั่นถือมัน่นหรือคลายความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไอความทุกข์เพราะความเจ็บป่วดมันก็จะบรรเทาเทาบาบางนะจนอาจจะเหลือแค่ความทุกข์กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์หรือบางทีความทุกข์กายก็บรรเทาเบาบ า, บางไปเหลือก็ได้เมื่อสัก8090ปีก่อนนะมีสมเด็จพระราชาคณะท่านหนึ่งเนี่ยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ ท่านตอนหลังนี้ท่านก็เป็นสังฆนายยกเลยนะเมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยมีตําแหน่งนี้นะสังฆนายยกไม่ใช่แค่สังฆราชเท่า น, นั้นมีสังฆนายยกด้วยส่วนเในพระมหาวีรบุรุษท่านก็เป็นสังฆนายกท่านหนึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านพระติธรรมนี่สูงนะแล้วท่านก็เห็นประโยชน์แล้วก็เห็นคุณค่าของการส่งเสริมพระติธรรมให้พระเนมีการศึกษาทางด้าน วิชาการและท่านก็นเป็นผู้บริหารการศึกษาที่เก่งมากจึงได้เป็นสมเด็จพระราชินะแต่ว่าท่านเนี่ยไม่เคยชอบนะพระที่เป็นพระกรรมฐานเนี่ยอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยหรือลูกสิษย์หลวงปู่มั่นนี่ท่านจะไม่ชอบเลและบางเอิอท่านก็เป็นพระราชคณะที่ดูแลภาคอีสานด้วยมีช่วงห น, งนี่ท่านก็ขับไล่เลยนะ ป่าเนี่ยถ้ามาอยู่ในเขตปกครองท่านตั้งไล่ไปเลยเพราะท่านเห็นว่าเป็นพวกหลงงมงายจะไปรู้อะไรนะพุทธศาสนาถ้าไม่ได้ศึกษาปริยติธรรมพวกเข้าป่าบําเพ็ญภาวนาพวกนี้งม ง, ง, งายแต่ตลังเนี่ยท่านก็เริ่มที่จะเห็นคุณค่าของสมาธิภาวนานะเห็นคุณค่ากรรมฐานเห็นคุณค่าเพราะอะไเพราะท่านป่วยอาพาธหนักนะ จนถึงช่วงอย่างนี้ไม่มีเริ่มมีแรงชันก็ไม่ได้ต้องรับอาหารทางสายยางบังเอิญตอนนั้นท่านก็เริ่มมีทัศนคติที่ดีต่อพระป่าสายหลวงปู่มั่นแล้วแล้วก็พอรู้ว่าพระจันทร์ฟันเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นแล้วก็มีความรู้ด้านสมุนไพรรวมทั้งสมาธิภาวนานะก็เลยนิมนต์มาให้ช่วยดูแลรักษานะี พระอาจารย์ท่นตอนนั้นก็ยังหนุ่มนะท่านก็รักษาด้วยสมุนไพรแต่ว่าไม่ได้ทําแค่นั้นนะท่านสอนกรรมฐานด้วยให้กับสมเด็จพระหมหาวีรวงศ์เนี่ยที่แรกก็สอนสมาธิสอนสมถะนะทาให้ระ ง, งับทุกขเวทนาได้เพราะพอจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยไอนะ้ทุกขเวทนาทางกายนี่มันก็ไปดีบคั้นจิตใจได้ยาก แต่ว่าท่านสอนมากกว่านั้นนะสอนเรื่องวิปัสสนาด้วยสอนให้พิจารณาว่าเนี่ยร่างกายไม่ใช่ของเรานร่างกายไม่ใช่ของเราไอ้ที่ทุกเนี่ยทุกใจเนี่ยเป็นเพราะไปยึดมันว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราและไม่ใช่แค่นั้นนะยังไปยึดเอาความเจ็บความปวดว่าเป็นเราด้วยหลวงปู่ฟั่นเนี่ยพระอาจารย์ฟั้นเนี่ยท่านก็เอาให้พิจารณาว่าร่างกายนี้มันประกอบไปด้วยธาตุ หรือว่าประกอบไปด้วยขนหนังฟันเล็บนะถ้าแยากไปทีละส่วนทีละส่วนแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยและเป็นพ่อมีสิ่งเหล่านี้มาประกอบกันจรึงเกิดเป็นรูปแต่รูปนั้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอาจารย์ฟันเนี่ยท่านก็สอนไปทีละนิดทีละนิดนะจนกระทั่งตังพวพระมหาเวรวงเนี่ยเข้าใจแล้วท่านก็พิจารณาด้วยกรรมฐานรากว่าดีวันดีคืนนะ่าสุข ความเจ็บความป่วยค่อยลดหายไปจนทัางท่านกลับมาเป็นปกติได้ส่วนโดยพระวิรวจงก็เกิดความทราบซึ่งประทับใจมากเห็นคุณค่าของกรรมฐานเป็นครั้งแรกนะท่านนึงก็ออกปากว่าตลอดช่วยชวยของเราเนี่ยไม่เคยคิดเลยว่าสมาธิภาวนาเนี่ยจะมีคุณค่าถึงเพียงนี้นี่เป็นคำพูดจากพระผู้ใหญ่นะ คือแต่ก่อนท่านไม่เชื่อเลยเรื่องสมาธิภาวนาทั้งๆนี้ในพระไตรปิฎกก็พูดถึงปณค่าของกรรมฐานไม้เยอะนะแต่ว่าท่านสนใจแต่เรื่องของวิชาการพอมาเห็นคุณค่าของพอมาได้ประสบสัมผัสของกับคุณค่าของสมาธิภาวนาเนี่ยโหท่านทราบซึ้งมากแล้วก็เลยนับถือหลวงปู่มั่นแล้วก็ลูกศิษย์หลวงปูม่มั่นคือถ้าท่านไม่ป่วยนะท่านก็ไม่เห็นคุณค่าของกรรมฐาน และที่หายป่วยเพราะท่านได้พิจารณาเห็นเลยนะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราพอเห็นเช่นนี้เนี่ยนะความยึดมั่นถือมั่นในกายว่าเป็นเราเป็นของเราก็ลดลงความทุกข์ใจก็หายไปและไม่ใช่แค่นั้นนะท่านยังเห็นว่าเนี่ยพิจาราเห็นว่าเนี่ยความเจ็บความปวดความข้องขัดก็ไม่ใช่เรามันก็เป็นศัแต่ว่าเวทนาที่เกิดขึ้น พออย่างเช่นนี้เนี่ยมันก็ไ ม, ม่มีผู้ปวดผู้เจ็บนจิตใจก็สบายพอจิตใจสบายกายก็ดีขึ้นอันนี้ก็เรียกว่าเนี่ยไอ้ที่ที่เราทุกข์เนี่ยเพราะความเจ็บป่วยเนี่ยที่เราไปเข้าใจว่าทุกข์เพราะความเจ็บปว่ยปวย ท, ที่จริงมันไม่ใช่อจริงอยู่นะทุกข์กายเนี่ยเพราะความเจ็บปว่วยแต่ทุกข์ใจเนี่ยไม่ใช่เพราะความเจ็บป่วยแต่ทุกข์ใจเพราะความยึดมั่นถือมั่นในกายว่าเป็นเราเป็นของเรานะแต่มันไม่ใช่แค่ยึดมั่นในกายนี้ว่าเป็นรเร า, นนน า, นาเป็นของเรานะ ยึดมันในกายว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างน่ายึดนะเพราะกายเนี่ยมันก็ยังให้ความสุขกับเรานะบ้างเป็นครั้งคราวหรือว่าเป็นระยะระยะแต่คนเราเนี่ยยังดันไปยึดเอาความเจ็บความปวดเป็นเราเป็นของเราด้วยอันนี้สิแปลกเพราะความเจ็บปวดนี่มันไม่มีดีเลยน ะ, ะเราก็ไม่ชอบนะความเจ็บความปวดแต่ทำไมเราไปยึดอันนี้เพราะเรียกว่าเพราะความหลงหลงก็คือไม่รู้ความจริงแล้วก็ ไม่รู้ตัวในสิ่งที่พระอาจารย์ฟั่นสอนจนพระมหาอุวงเนี่ยก็คือช่วยทําให้ท่านเกิดปัญญาเข้าใจเข้าใจร่างกายเข้าใจความเป็นจริงของสังขารจงทําให้ยึดมั่นว่าร่างกายจะเป็นเราเป็นของเราแล้วก็สอนให้เห็นคุณค่างสตินะเพราะสติไม่ช่วยทําให้ไม่ไปยึดเอาความเจ็บความปวดว่าเป็นเราเป็นของเรา ปัญญาและสติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมที่ช่วยนะที่จะบำบัดความทุกข์เริ่มจากความทุกข์ใจนะแล้วก็นำไปสู่การบำบัดความทุกข์กายได้หลวงพ่อ เ, อเขียนในตอนที่ท่านป่วยหนักนะตอนเป็นมะเร็งครั้งแรกเนี่ยโอ้ย่าโยมก็สงสารมากนะเพราะว่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับท่านก็รุนแรงแล้วก็ยาหรือหัตธการที่ใช้รักษาท่านก็ นะก่อความอึดอัดได้ไม่น้อยเลยแต่หลวงพ่อท่านดูสงบนะท่านก็อสอนลูกศิษย์ว่าเนี่ยไอ้ความเจ็บปวดนี่มันไม่ได้ลงโทษเรานะไอ้ความเป็นผู้ป่วยต่างหากที่มันลงโทษเรางานะนนี้เนี่ยสำคัญมากนะความเจ็บปวดไม่ได้ลงโทษเราแต่ความเป็นผู้ป่วยต่างหากชื่ลงโทษเราแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยความปวดเนี่ยมันเป็นเพียงอาการเอาไว้เห็น ไม่ใช่เอาไว้เป็นนะความเจ็บปวดเนี่ยมันมีไว้เห็นมีให้เราเห็นหรือเป็นอาการเอาไว้เห็นนะไม่ใช่ข้อเปเป็นจะเห็นได้อย่างไงต้องมีสตินะเพราะถ้าไม่มีสตินะพอปวดขึ้นมาก็ไปยึดความปวดว่าเป็นเราเป็นของเราหรือว่าปล่อยจิตเข้าไปในจ ม, มนในความปวดถ้าจิตเนี่ยมันจมเข้าไปในความปวดหรือเข้าไปยึดว่าความปวดเป็นเราเป็นของเราเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ปวดกายเดีวยวนะปวดใจด้วย แต่ถ้ามีสตินะอ่ามันสติมันทำให้เห็นเวทนาไม่เข้าไปยึดเวทนานั้นตรงนี้ต้องอาใช้สตินะต้องอาศัยความรู้สึกตัวแลวพอเห็นเวทนาไม่ไม่เป็นเห็นความปวดไม่เป็นผู้ปวดเนี่ยความทุกข์ใจมันก็ลดลงไปเยอะเลยมันก็เลยแต่ความทุกข์กายจะเรียกว่าทุกข์หานสามเลยก็ได้นะหรือแต่แค่ทุกข์กายส่วนอีกสองส่วนเนี่ย คือทุกใจก็หายไปเพราะมันไม่มีความยึดว่าเป็นว่าเป็นผู้ปวดตรงเนี้คืออนุภาพขงสตินะที่มันช่วยทําให้เราสามารถรับมือกับทุกขเวทนาในยามเจ็บป่วยได้แล้วมันก็ทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ย้เราไม่ได้ทุกขเพราะความเจ็บป่วยนะแต่เราทุกขเพราะความยึดติดไปยึดติดในรูปไปยึดติดในเวทนา ไปยึดมั่นถือมั่นในรูปไปยึดมั่นถือมั่นในเวทนาตรงนี้คือสิ่งที่คนไม่ค่อยเข้าใจนะไปเข้าว่าเนี่ยเราทุกข์เพราะความเจ็บป่วยเหมือนกับที่ไปเข้าใจว่าเราทุกข์เพราะความสูญเสียไม่ใช่ที่ทุกข์ใจเนี่ยเพราะไปยึดมั่นไม่ว่าจะเป็นยึดมั่นในคนสิ่งของเพราะฉะนั้นพอสูญเสียก็เลยทุกข์หรือไปยึดมั่นในร่างกายนี้พอมันเจ็บป่วยก็เลยเป็นทุกข์ หรือไปยึดมั่นในความปวดไปยึดถือไปจมเข้าไปเป็นผู้ปวดงั้นถ้าเข้าใจตรงนี้เนี่ยจะเห็นเลยนะว่าเราต้องนะฝึกสติให้ให้มีกำลังแล้วก็พยายามทำปัญญาให้เกิดเพื่อที่จะได้ลดความยึดมั่นถือมั่นให้ได้แต่ถ้าหากว่ายัง สติยังไม่ไวยังไม่เข้มแข็งปัญญายังไม่แก่กล้านะก็อาจจะใช้ธรรมะ ต, ตัวอื่นมาช่วยเสริมได้เช่นสมาธิสมาธิเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ใจเนี่ยวางความเจ็บความปวดได้เหมือนกันนะไม่ใช่แค่ปัญญาหรือสติเท่านั้นที่จะช่วยทาให้เกิดการวางความเจ็บความปวดได้สมาธิมันก็ช่วยได้นะอย่างเช่น่ะเราปวดแขนปวดขา ถ้าเราไม่มีสมาธินะจิ ต, ตมันก็จะไปเกาะอยู่ที่แขนที่ขาหรือไปเกาะ ไ, ไปยึดเวทนาความเจ็บความปวดความเมื่อยที่แขนที่ขาที่หลังแต่พอเราจิ ต, ตเนี่ยมาจดจ่อที่ลมหายใจมาจดจ่ออยู่ที่คำบริกรรมมาจดจออ่อที่บทสวดมนต์เนี่ยจิตมันจะวางนะจิตมันจะวางความเจ็บความปวดลงเพราะมันเหมือนคนมืมันเหมือนคนมือเดียวนะคนมือเดียวเนี่ย จับอะไรไว้ก็ตามเช่นจับโทรศัพท์ถือโทรศัพท์เนี่ยแต่ถ้าจะถือแก้วจับแก้วเนี่ยมันต้องวางโทรศัพท์นึงจะจับแก้วถือแก้วได้จิตเป็นอย่างนั้นนะใจจิตมันจะจดจ่อยลมหายใจก็ต้องวางความเจ็บความปวดวางการเกาะเกี่ยวในแขนในขาในอวัยวะที่ปว่วยที่ปวดมันก็ช่วยทําให้อ่า ใจสงบได้เพราะว่าจิตเนี่ยมันวางความเจ็บความปวดวางทุกขเวทนาลงเพื่อมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจเพื่อมาจดจ่ออยู่กับสิ่งอื่นแทนเช่นอาจจะเป็นเสียงเพลงหรืออาจจะเป็นบทสนมหรื อ, อ จ, จะเป็นคําบรรยายก็ได้สมาธินี่มันก็ช่วยได้นะสำหรับคนที่ปัญญาเดี๋ยวไม่แก่ก้าสติยังไม่แข็งแรงแต่ที่จริงก็ยมีธรรมะตัวอื่นนะที่จะช่วยเราได้อีกนะเช่นศรัทธาเนี่ยถ้าเรามีศรัทธาในสิ่งใด <sincere> <an> พอเรานึกถึงสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยจิตมันจะเกิดความอิ่มเอิบเกิดสิ่งที่เรียกว่าปรามโมทนะเช่นคนที่เจ็บปวดเนี่ยแต่ว่านึกถึงพระพุทธเจา้านึกถึงพระรัตนตรนัยนึกถึงครูบาอาจารย์เนี่ยที่ตัวเองศรัทธาเนี่ยมันจะเกิดความปรามโมทปรามโมทคือความเบิกบานใจปรามโมททาให้เกิดปิติอิ่มเอิบใจปิติทําให้เกิดปัสสธิความผ่อนคลายกายและใจและทําให้เกิดสุขนะพูดง่ายคือศรัทธาทําให้เกิดสุข นั้นขณะที่กําลังปว่วยกําลังทุกข์อยู่เนี่ยพอปลูกศรัทธาขึ้นมานะความสุขมันมาแทนที่แล้มันไม่ใช่แค่สุขกายไม่ใช่แค่สุกใจนะมันสุขกายด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพบ ว, ว่าคนที่ก็มีการค้นพบ ว, ว่าคนที่มีศรัทธาในสิ่งใดเนี่ยมันจะมีสารบางตัวหลั่งออกมาเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยทําให้ความเจ็บความปวดทุเราลง ไม่ว่าจะเป็นโดพามีนเซโรโทนินหรือว่าเอนโดฟนนินเนี่ยพวกนี้นี่ก็ช่วยทำให้ทุกเวทนาทางกายเนี่ยบรรเทาลงแล้วเกิดความสงบเย็นในจิตใจได้งนั้นถ้าเรารู้จักธรรมะอย่างที่ว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญญาสติสมาธิศรัทธาเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ความทุกข์บรรเทาเบาบางจะเรียกว่าเป็น ทำที่ช่วยบาบัดความทุกข์ก็ได้